คู่มือมนุษย์เรื่องขั้นของการปฏิบัติศาสนาหรือไตรสิกขาในบทนี้จะบรรยายให้ทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปาทานหลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้คือศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติหมวดนี้เรียกว่าไตรสิกขา สิขาขั้นแรกที่สุดเราเรียกว่าศีลซึ่งหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามหลักทั่ ว, วไปไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนมีจําแนกไว้เป็นศีลห้าศีลแปศีลสิศีล227รหรืออื่นๆ อ, อ, อีกเป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นต้นๆ้นทางกายทางวาจาของตน ที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่สิกขาขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้อง โดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ฟังมาว่าสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมักว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ลักษณะเพียงสองอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพุทธวจนะนั่นเองพระองค์ทรงสแสดงลักษณะของจิตด้วยคาอีกคาหนึ่ง ซึ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ากรมมนียโยแปลว่าสมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงแสดงลักษณะจิตที่เป็นสมาธิสิกขาขั้นที่สานั้นเรียกว่าปัญญาหมายถึงการฝึกฝนอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุด ในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงคนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไรอะไรให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้คือมันถูกแต่เพียงตามที่เราเข้าใจเอาเองหรือตามโลกสมมุติมันจึงไม่ใช่ตามความจริงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่าปัญญาสิกขานี้ขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้าย สำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์คำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งนั้นในทางธรรมะแล้วไม่เป็นอันเดียวกันความเข้าใจนั้นอาศัยการคิดคำหนึ่งด้วยการใช้เหตุผลบ้างหรือการคาดคะเนเอาตามเหตุผลต่างๆบ้างส่วนความเห็นแจ้ง ไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมทราบมาแล้วด้วยการ ผ, าผ่านผจนสิ่งนั้นๆมาด้วยตนเองหรือด้วยการมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพินิษพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่หลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผลเพราะฉะนั้น ปัญญาศิกขาตามหลักของพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ได้มาจากหลักของเหตุผลเหมือนที่ใช้กันอยู่ในวงการศึกษาวิชาการสมัยปัจจุบันแต่เป็นคนละอย่างทีเดียวปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยน้ำใสใจจริงด้วยการผ่านผจลสิ่งนั้นๆมาแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง จนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเลือนได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาในทางปัญญาตามสิกขาข้อนี้จึงต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตตนเองเป็นเครื่องพิจารณาหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ใจของเราเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นได้จริงถ้าเราจะคิดไปตามแนวของเหตุผลทําการวินิจฉัยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ได้แค่ความเข้าใจไม่มีทางให้เกิดความสลดสังเวชได้ไม่มีทางให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายในโลกได้ขอให้เข้าใจว่ากิริยาอาการที่จิตใจเบื่อหน่าย คลายความอยากจากสิ่งที่เคยหลงรักนั่นแหละคือตัวความเห็นแจ้งในที่นี้หลักธรรมะได้บัญญัติไว้ชัดเจนทีเดียวว่าถ้าเห็นแจ้งจริงๆก็ต้องเบื่อหน่ายจริงๆ จ, จะไปหยุดอยู่เพียงแค่เห็นแจ้งนั้นไม่ได้ความเบื่อหน่ายคลายความอยากในสิ่งนั้นจะต้องเกิดตามขึ้นมาทันควันอย่างแยกกันไม่ได้ ศีลสิกขานั้นเป็นเพียงการศึกษาปฏิบัติในขั้นตระเตรียมเบื้องต้นเพื่อให้เรามีความเป็นอยู่ผาสุขอันจะช่วยให้จิตใจเป็นปกติอา น, นิสง์ของศีลมีหลายอย่างด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอา น, นิสง์อย่างอื่ น, นเช่นว่าให้เป็นสุขหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งมุ่งหมายโดยตรงท่านมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่จะให้เป็นที่เกิดที่จเจริญของสมาธิศีลจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิได้โดยง่ายถ้าเรามีเครื่องรบกวนมากจิตใจของเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรสมาธิสิกขาคือการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใช้จิตของเรานี้ ให้ทำหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดในขั้นศีลมีความประพฤติดีทางกายทางวาจาในขั้นสมาธิมีความประพฤติดีทางจิตคือไม่มีความคิดผิดไม่เศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างนี้เรียกสมาธิ แม้ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทั่วๆไปในทางโลกสมาธิก็ยังเป็นของจำเป็นทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำด้วยใจที่เป็นสมาธิแล้วยอมไม่ได้รับผลสำเร็จด้วยดีท่านจึงจัดสมาธินี้ไว้ในลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่จาเป็นจะต้องมีสมาธิ เป็นคุณสมบัติประจำตัวทั้งนั้นแม้แต่เด็กนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขออกได้อย่างไรสมาธิในทานองนั้นเป็นสมาธิตามธรรมชาติเมื่ อ, อยังอยู่ในระดับอ่อนส่วนสมาธิในทางหลักพุทธศาสนาที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นสมาธิที่เราได้ฝึกให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเมื่อฝึกกันสำเร็จแล้วจึงกลายเป็นจิตที่มีความสามารถมีกำลังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นๆมากมายเลิศเกินการที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน์จากสมาธิได้ถึงปานนี้เรียกว่ามนุษย์ได้ก้าวขึ้นมาถึงการรู้ความลับของธรรมชาติอีกขั้นหนึ่งข้อนี้หมายถึงการรู้วิธีบังคับจิต ให้มีสมรรถภาพยิ่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ขั้นศีลยังไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่พอมาถึงขั้นที่เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติท่านจัดเป็นอุตริมนุสธรรมซึ่งพระภิกษุจะอวดไม่ได้ขืนอวดก็ชื่อว่าไม่เป็นพระที่ดีหรือถึงกับไม่เป็นพระเลยแล้วแต่กรณี การได้มาซึ่งสมาธินี้เราต้องลงทุนอดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติจนเรามีสมาธิตามสมควรที่จะมีได้ในที่สุดเราก็จะได้ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาที่เขาได้ได้กันเพราะเรามีเครื่องมือที่สูงไปกว่าที่เขามีเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนใจไว้อย่าถือว่าเป็นของครืโง่เขลางมงายพ้นสมัยเลย มันยังคงเป็นของสำคัญที่สุดซึ่งต้องใช้กันอยู่เรื่อยไปและยิ่งในสมัยที่โลกมีอะไรอะไรหมุนเร็วแทบจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปซะกว่าครั้งพุทธกาลด้วยซ้ำไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องไปวัดหรือเรื่องสำหรับคนวัดหรือของคนงมงายเลย ถัดไปนี้ก็ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสมาธิสิกขากับปัญญาสิกขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยทีเดียวว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงหมายถึงอาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ถ้าจิตมีลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง ข้อนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเรื่องอะไรอะไรที่เราอยากรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสะสางนั้นตามปกติมันฝังตัวประจำอยู่ในใจของคนเราทั้งนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้คือมันอยู่ใต้จิตสำนึกเรื่อยไปตลอดเวลาขณะที่เราตั้งใจจะสะสางให้ออกมันก็ไม่ออกเพราะเหตุว่าจิตใจขณะนั้น ยังไม่เหมาะสมที่จะสะสางปัญหานั้นนั่นเองถ้าผู้ใดทําสมาธิที่ถูกต้องคือให้มีลักษณะที่เรียกว่ากรรมนิโยพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้จิตสํานึกนั้นมันจะมีคําตอบโผล่ออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปีมีคลุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธินั้น แต่ว่าถ้าหากมันยังไม่โผล่ออกมาเราก็ยังมีวิธีอื่นอีกอันหนึ่งคือน้อมจิตไปสู่การพิจารณาปัญหาที่เรากำลังมีอยู่การพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิในลักษณะเช่นนี้เองเรียกว่าปัญญาสิกขาหรืออย่างน้อยก็สงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขา ในคืนวันที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทคือรู้อะไรเป็นอะไรทยอยกันไปตามลำดับทั้งนี้ก็โดยสมาธิอย่างที่กล่าวมาแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแต่รวมใจความแล้วก็คือว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิดีแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาปัญหานั้น ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญญากับสมาธินี้จะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอไปแต่ว่าอาการที่ปัญญาอาศัยสมาธินั้นบางทีเรามองไม่เห็นเลยเช่นเวลาที่เงียบสงัดเย็นสบายไม่มีอะไรรบกวนจิตใจจิตเป็นสมาธิสดชื่นดีเราก็คิดอะไรอะไรที่เป็นคำตอบของปัญหาซึ่งติดค้างอยู่ในใจได้เป็นต้น แต่ในพุทธศาสนานั้นท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญายิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิข้อนี้เป็นเพราะในการที่จะให้เกิดสมาธิยิ่งไปกว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นมันต้องอาศัยการต่างๆของจิตว่าจะบังคับมันอย่างไรจึงจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ฉะนั้นคนมีปัญญาจึงสามารถมีสมาธิมากขึ้นได้ตามลำดับเมื่อมีสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตามมันส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในตัวถ้ามีปัญญาแล้วก็จะต้องมีความเห็นแจ้งและมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือ ถ้ายังรีเข้าไปหาสิ่งทั้งปวงด้วยความหลงรักด้วยความยึดถือด้วยความลหลงไหลแล้วไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ว่าชะงักหรือถอยหลังนี้ไม่ใช่ทางกิริยาอาการเช่นจะต้องจับสิ่งนั้นสิ่งนี้คว้างทิ้งหรือทุบตีให้แตกหรือว่าต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายถึงชะงักถอยหลัง ด้วยจิตใจโดยเฉพาะคือมีจิตใจถอยห่างออกจากการที่เคยตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นจิตที่อิสระผลของความเมื่อน่ายคลายความอยากจากสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายหรือเข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีแล้วเอาไฟจุดเผาสิ่งต่างๆเสียให้หมดภายนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่อง ยังคงเป็นไปตามเหตุผลตามความเหมาะสมแต่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระไม่เป็นธาตุของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่คืออนิสงค์ของปัญญาท่านใช้เรียกด้วยคำบาลีว่าวิมุตติหมายความว่าหลุดพ้นจากการเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะธาตุของสิ่งที่เรารัก แม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเราก็ตกเป็นทาสของมันเหมือนกันเป็นทาสตรงที่ต้องไปเกลียดมันนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้อุตสาห์ไปเกลียดมันไปร้อนใจกับมันมันบังคับเราได้เหมือนกับของที่เรารักแต่อยู่ในลักษณะนคนละอย่างฉะนั้นคำว่าเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงนั้นยอมหมายถึงทั้งทางที่พอใจและไม่พอใจ ทั้งหมดนี้แสดงว่าเราหลุดออกจากการเป็นทาตของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระอยู่ได้ด้วยอาศัยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงได้วางหลักไว้สั้นๆที่สุดว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่เคยตรัสว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยสมาธิแต่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะมันทำให้หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวง การไม่หลุดก็คือมีความไม่บริรสุทธิ์สกปรกมืดมัวเร่าร้อนเมื่อหลุดก็จะมีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยัยแจ่มแจ้งและสงบเย็นมันเป็นผลของปัญญาหรือเป็นลักษณะาอาการที่แสดงว่าปัญญาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของมันถึงที่สุดแล้วฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้กำหนดพิจารณาสิกขาข้อที่สาม คือปัญญานี้ให้ดีๆว่ามันมีอยู่อย่างไรและเป็นของสูงสุดเพียงไรปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปาทานสี่ประการเสียได้หมดสิน้นความยึดติดทั้งสี่นั้นเป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดล่ามเราไว้ปัญญาก็เป็นเสมือนมีด ที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นให้ขาดไปจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปข้อปฏิบัติทั้งสมอย่างดังกล่าวนี้จะคงทนต่อการพิสูจน์หรือไม่จะเป็นหลักวิชาอันแท้จริงเหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ขอให้พิจารณาดูเมื่อดูต่อไป จะเห็นว่าหลักทั้งสข้อนี้ไม่ข้านกับศาสนาไหนเลยถ้าศาสนานั้นๆต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์กันจริงๆพุทธศาสนาย่อมไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาใดๆแต่มีอะไรๆมากไปกว่าศาสนาอื่นๆมีโดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติในทางปัญญาอันเป็นสิกขาข้อสุดท้ายเพื่อตัดความยึดมั่นทั้งสประการ ปลดเปลื้องจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ผูกพันเป็นทาตหรือตกอยู่ในอำนาจของสิ่งทั้งปวงเช่นพระเป็นเจ้าบนสวรรค์หรือผีสางเทวดาข้อนี้แหละไม่มีศาสนาอื่นกล้าพอที่จะสอนให้เป็นอิสระสิ้นเชิงฉะนั้นเราจงเข้าใจความหมายของพระพุทธศาสนาไว้ให้ ด, ดีดังที่กล่าวมา เมื่อความจริงได้แสดงแล้วว่าพระพุทธศาสนากล้าท้าให้พิสูจน์ว่ามีอะไรอะไรทุกอย่างที่ศาสนาอื่นๆมีและยังมีอะไรบางอย่างมากไปกว่าที่เขามีกันฉะนั้นจะเห็นได้ทันทีว่าพุทธศาสนานี้เป็นของคนทั่วไปหรือเป็นศาสนาสากลที่ใช้ได้แก่ทุกคนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาความทุกข์อย่างเดียวกันหมด คือทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกเพราะความอยากความยึดถือครอบงำย่ำยีไม่ว่าเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานย่อมจะมีปัญหาอย่างเดียวกันมีสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวกันคือต้องตัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวการสำคัญหรือตัดความยึดติดที่ผิดผิดนี้เสียให้ได้นี่แหละคือความหมายของความเป็นศาสนาสากล